6. สุราปานวก 10. จีวระอปนิธานาสิกขาบทว่าด้วยการซ่อนจีวรเรื่องพระสตรษารสาวัคี 377. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสุสัตรารสาวัคีไม่เก็บบริขารพวกพิสุชาวัคีจึงเอาบาดบ้าง จีวรบ้างของพวกพิสูตสัตตะรสวกคีไปซ่อนพวกพิสูตสัตตะรสวัคีได้กล่าวกับพวกพิสูตชาวพักีดังนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านโปรดคืนบาทบ้างจีวรบ้างให้แก่พวกเราเถิดพวกพิสูตชาวพักีพากันหัวเราะพวกพิสูตสัตตะรสวัคีพากันร้องไห้พิสูุทั้งหลายถามว่าพว ก, ท, พว ก, พรรกวท่านร้องไห้ทําไมพวกพิสูตสัตตะรสวกคีกล่าวว่าท่านทั้งหลาย พวกพิสูจชัวพคกีเอาบาดบ้างจีวรบ้างของพวกกระผมไปซ่อนบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพลธนาว่าฉไนพวกพิสูจ์ชาวพคีจึงเอาบาดบ้างจีวรนบ้างของภิกษุทั้งหลายไปซ่อนเล่าขันภิกษุเหล่านั้นตำหนิพวกพิสูจน์ชัวพคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกล่าบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ